แต่ก็เป็นสมาธิเป็นฌานเหมือนกันจิตก็แน่วแน่แนบแน่นเหมือนกันและก็เป็นจิตที่บรรลุถึงยานคือความอย่างรู้อันเป็น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 ที่เป็นมัชฌิ ม, มาปฏิปทาข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางกลางประกอบอยู่ในมัสมีองแปดนั่นก็เป็นสมาธิเป็นฌานนั่นแหละแต่ว่าเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ได้จึงเรียกว่าสัมมาสมาธิสมาธิชอบความตั้งใจมั่นชอบ ก็คือว่าให้ตรัสรู้พระธรรมได้ยังควรที่จะพิจารณาว่าสมาธิในพุทธศาสนานั้นเป็นสมาธิอีกลักษณะหนึ่งและลักษณะอันใดอันเป็นลักษณะพิเศษ แห่งสมมมาสมาธิในพุทธศาสนาโดยปริยายคือทางอันหนึ่งที่จะพึงเห็นได้ก็คือว่าจะต้องเป็นสมาธิที่ประกอบด้วยองค์มรรคอื่นๆในมรรคมีองค์แปด อันองค์มรรคอื่นๆในมรรคมีองแปดสนับสนุนสัสมมาส ม, มาธินี้และสัมมาส ม, มาธินี้ก็สนับสนุนองค์มรรคอื่นๆในมรรคมีองแปดนั้นกล่าวคือจะต้องประกอบด้วยความเห็นชอบความดําริชอบ อันเป็นทางปัญญาจะต้องมีปัญญานำสมาธิและสมาธิก็จะต้องนำปัญญาสนับสนุนปัญญาจะต้องประกอบด้วยวาจาชอบการงานชอบอาชีพชอบอันเป็นส่วนศีล จะต้องมีศีลหนุนและก็จะต้องหนุนศีลต้องประกอบด้วยความเพียรชอบและสติชอบจะต้องมีความเพียรชอบสติชอบสนับสนุนทั้งก็สนับสนุนเพียรชอบสติชอบด้วยจึงเป็นอันว่าจะต้อง ประกอบกันเป็นมรรคมีองค์แปดแต่ว่าในขณะปฏิบัติที่ยังไม่สมบูรณ์นั้นก็จะต้องเข้าทางอันถูกต้องที่เรียกว่าชอบนั้นคือว่าเป็นไปเพื่อความสิ้นกิเลสและกองทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อความ สั่งสมกิเลสและกองทุกข์ด้วยกันและต่างก็สนับสนุนซึ่งกันและกันขึ้นไปโดยลำดับก็จะมียิ่งบางยอดบ้างกว่ากันไปตามเรื่องในขณะที่กำลังปฏิบัติแต่ว่าในที่สุดก็จะต้องบรรลุถึงความสมบูรณ์ด้วยกันร่วมกันเป็นอันเดียวกัน ที่เรียกว่าเป็นมัคคัสมังคีความพร้อมเพรียงกันขององค์มัคฉะนั้นสมาธิในพุทธศาสนาที่เป็นสมมาสมาธิจนหลอดจนถึงปัญญาที่เป็นความรู้แจ้งเห็นจริงนั้นจึงต้องเป็นส่วนที่ชอบ ด้วยการประกอบกันดังกล่าวพร้อมกับศีลก็เป็นอันว่าทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาแยกกันไม่ได้ต่างก็อบรมสนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นไปและก็เป็นไปเพื่อความสิ้นกิเลสและกองทุกอันความสิ้นกิเลสและกองทุกก็อยู่ที่จิตนี้เองฉะนั้น การปฏิบัติศีลก็ต้องปฏิบัติศีลนี่แหละก็ต้องปฏิบัติจิตนี่แหละให้เป็นศีลการปฏิบัติสมาธิก็ต้องปฏิบัติสมาธินี่แหละก็ต้องปฏิบัติจิตนี่แหละให้เป็นสมาธิการปฏิบัติปัญญาก็ต้องปฏิบัติจิตปัญญาขึ้นมาเพื่อวิมุตคือความหลุดพ้นบรรลุนิพพาน คือความสิ้นกิเลสและกองทุกข์ด้วยประการทั้งปวงในที่สุดเพราะฉะนั้นจึงต้องรวมเข้ามาในภายในศีลก็ต้องดูเข้ามาที่ภายในดูจิตพร้อมทั้งกายวาจาใจของตนเองว่าเป็นศีลหรือไม่สมาธิก็ต้องรวมเข้ามา ที่จิตดูที่จิตนี้เองให้จิตนี้สงบตั้งมัน่นอยู่ในทางที่ดีที่ชอบและข้อปฏิบัติที่ตรัสสอนสำหรับที่จะตั้งจิตให้เป็นสมาธิเมื่อยกเอาสติปัฏฐานทั้งสี่นี้เป็นที่ตั้งจะเป็นกายก็ตามเป็นเวทนาก็ตามเป็นจิตก็ตาม เป็นธรรมะก็ตามก็ตั้งดูอยู่ที่กายเวทนาจิตธรรมนี้ให้เห็นกายเวทนาจิตธรรมนี้ที่ตนเองกายตนเองเวทนาตนเองจิตตนเองธรรมะในจิตของตนเองให้มองเห็นให้มองเห็นภายในให้มองเห็นภายนอกคือทั้งหมด ทั้งหมดที่รวมกันเป็นกายเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นธรรมและให้มองเห็นเกิดให้มองเห็นดับก็เป็นอันว่าดูเข้ามาที่ภายในและก็สงบอยู่ในัดังนี้เป็นสมาธิเป็นปัญญาก็เช่นเดียวกันก็ดูเข้ามาที่ นามรูปอันนี้ก็กายเวทนาจิตธรรมนี่แหละรวมกันเข้าเป็นนามรูปแยกออกไปก็เป็นกายเวทนาจิตธรรมก็ได้เป็นขันธ์ห้าก็ได้ก็ก้อนนี้อันนี้นั่นแหละไม่ใช่ที่ไหนไอเห็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาอันเป็นสัจจะคือทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกที่ก้อนกายก้อนใจอันนี้ไม่ใช่ที่อื่น ดังนี้จึงจะเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาที่เป็นมรรคมีองค์แปดซึ่งจะเป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานต่อไปได้ดังนี้จึงจะเป็นสมาสมาธิสมาธิชอบและก็เป็นปัญญาชอบเป็นศีลชอบประกอบกันอยู่ดังนี้เพราะฉะนั้นยังไม่มุ่งที่จะดูออกไปในภายนอก ถ้าจะปฏิบัติเพื่อให้สิ้นกิเลสในกองทุกข์อันเป็นมัชฌิมาปัจัปภาก็ต้องดูเข้ามาที่ในภายในดังกล่าวและภายในดังกล่าวนี้ทุกคนก็มีอยู่พร้อมแล้วกายเวทนาจิตธรรมก็มีอยู่พร้อมแล้วนามรูปก็มีอยู่พร้อมแล้วขันท่าก็มีอยู่พร้อมแล้ว ตัวทุกข์ก็มีอยู่พร้อมตัวสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ก็มีอยู่พร้อมและถ้าหากว่าปฏิบัติอยู่ในมรรคมีองค์แปดตัวมรรคก็เริ่มมีขึ้นถ้ายังไม่เป็นมรรคเป็นผลที่สมบูรณ์ตัวความดับทุกข์ก็เริ่มมีขึ้นแม้จะยังไม่เป็นความดับทุกข์ที่สมบูรณ์ แต่ว่าทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกสมุทัยสัจจะสภาพที่จริงคือสมุทัยเหตุให้เกิดทุกนั้นมีอยู่พร้อมมักก็มีอยู่ตามที่ปฏิบัติได้นิโรธคือความดับทุกข์ก็มีอยู่ตามที่ปฏิบัติได้น้อยหรือมากก็แปลว่ามีอยู่ในภายในนี้พร้อมทุกอย่างแล้วและในการที่จะปฏิบัตินั้นเรา ที่รัดสอนดังที่รัดสอนให้กำหนดลมให้ใจเข้าออกลมให้ใจเข้าออกก็มีอยู่พร้อมแล้วเช่นเดียวกันเมื่อตั้งสติกำหนดเมื่อใดก็ ย, อย่อมจะกำหนดได้และสตินั้นเล่าทุกคนก็สามารถตั้งขึ้นได้ ไม่ใช่ตั้งขึ้นไม่ได้ความเพียร น, นั้นเล่าทุกคนก็สามารถที่จะทำได้ประกอบขึ้นได้จะประกอบขึ้นม่อะไรก็ได้แต่ว่ามีเหตุที่ทำให้เกิดความล่าช้าก็คือกิเลสนี้เองเป็นต้นว่า ตัณหาความนินรนธยันยากราคะโทสะโมหะที่ตั้งขึ้นในอารมณ์คือเรื่องทั้งหลายที่เข้ามาสู่จิตนี้ทางตาทางจมูกทา ง, ทา ง, ทางลิ้นทางกายทา ง, ทางใจของทุกๆคนอยู่ทุกขณะก็มาเป็นอารมณ์ จิตก็จับอารมณ์เหล่านี้กอกิเลสตัณหาต่างๆขึ้นมาก็เป็นนิวรณที่ปล้นจิตใจร่ม ร, มรุมจิตใจอันทำจิตใจให้กลัดรุ่มทำจิตใจให้มันสงบทำจิตใจให้ฟูงสันถ้าหากว่าบรรดา อารมณ์ในกิเลสเล่านี้แรงการที่จะปฏิบัตินำจิตสู่มรรคมีองแปดจะเป็นหมวดศีลก็ตามหมวดสมาธิก็ตามหมวดปัญญาก็ตามก็ทำได้ยากแต่ถ้าหากว่ามีกำลัง แห่งศรัทธาแห่งความเพียรแห่งสติแห่งสมาธิแห่งปัญญาที่ตนได้ปฏิบัติ อ, อบรมสั่งสมมามีกำลังแรงก็สามารถที่จะควบคุมจิตได้นำจิต ให้สละอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของกิเลสพร้อมทั้งกิเลสเหล่านั้นให้มาตั้งอยู่ในศีลในสมาธิในปัญญาได้เพราะฉะนั้นจึงปรากฏว่าทุกๆคนนั้นก็บ่นกันว่าทำสมาธิไม่ค่อยได้ปฏิบัติในศีลไม่ค่อยได้ หรือปฏิบัติทางปัญญาก็ไม่ค่อยจะเห็นจริงอะไรทั้นนี้ก็เพราะว่ากำลังของอารมณ์และกิเลสต่างๆนั้นอย่างแรงแต่ว่ากำลังของศรัทธาความเพียรเป็นต้นอย่างอ่อนอยู่ฉะนั้นจึงต้องอาศัยที่มีขันติความอดทน อดทนใจของตัวเองนี่แหละสำคัญอดทนปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาไปหากว่าจะเกิดมีความเบื่อนหน่ายมีความอิดนาระอาใจต่างๆก็ให้ทำความรู้สึกว่านั่นเป็นด้วยอำนาจของกิเลสกิเลสย่อมเป็นปฏิบัติต่อ ธรรมปฏิบัติเพราะธรรมปฏิบัตินั่นเป็นไปเพื่อข่มกิเลสเพื่อละกิเลสในขณะที่กิเลสครองจิตอยู่ก็ดึงเอาจิตไปเป็นฝ่ายกิเลสเมื่อดึงเอาจิตเป็นฝ่ายกิเลสจึงทำให้ไม่มองเห็นประโยชน์ในธรรมปฏิบัติให้เบื่อหน่ายในธรรมปฏิบัติฉะนั้นจึงต้องมีความอดทนประกอบด้วยศรัทธา ประกอบด้วยความเพียรเป็นต้นเอาจริงเอาจริงไม่ยอมที่จะตามใจกิเลสหรือว่าตามใจใจของตัวเองก็คือตามใจกิเลสนั่นเองฝืนที่จะปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาไปตามที่กำหนดไว้หรือตามที่ดตั้งใจเอาไว้และเมื่อหัดปฏิบัติอยู่ดังนี้บ่อยๆแล้วกําลังของศรัทธาของความเพียรเป็นต้น ก็จะแรงขึ้นกําลังของศรัทธาของความเพียรเป็นต้นนี้ก็คือว่าพระห้านั่นแหละศรัทธาพระกําลังศรัทธาวิย ญ, ญาภะกําลังความเพียรสติพระกําลังของสติสมาธิพระกําลังของสมาธิปัญญาพระกําลังของปัญญา ก็คือที่อดทนปฏิบัติไปนั่นแหละและเมื่อปฏิบัติอยู่บ่อยๆแล้วก็จะได้ศรัทธาได้ความเพียรได้สติได้สมาธิได้ปัญญามาเป็นพื้นฐานในจิตก็เริ่มเป็นพลังก่อพลังขึ้นในจิตไปโดยลำดับและเมื่อก่อพลังขึ้นในจิต ได้แล้วก็จะปรากฏเป็นอินทรีย์คือเป็นใหญ่ศรัทธาก็จะเป็นใหญ่เป็นใหญ่เหนือความไม่เชื่อความลื้อถือรั้นไปในทางที่ผิดต่างๆวิริยะคือความเพียรก็จะเป็นใหญ่เหนือความเกียตครันเอาชนะความเกียรตครันได้ สติก็จะเป็นใหญ่เหนือความหลงลืมสติคือสติเองก็จะตั้งมันยิ่งขึ้นสมาธิก็จะเป็นใหญ่เหนือความฟุ้งซ่านจิตจะได้ความสงบจะข่มจิตให้สงบได้ปัญญาใหญ่เหนือทุบ ป, ปัญญาคือความรู้ชั่วรู้ผิดเหนือความหลงเข้าใจผิดอันนี้เรียกียกว่าอินทรีย์ อินทรีย์นี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากก็หมายความว่าทรมปฏิบัติที่ทุกคนได้ปฏิบัติมาแล้วนั่นแหละปฏิบัติขึ้นโงขึ้นในจิตมีขึ้นในจิตและก็สั่งสมเพิ่มพูลขึ้นโดยลำดับก็ปรากฏเป็นพะละคือกำลังเป็นกำลังฝ่ายดี จนถึงเป็นอินทรีย์คือเป็นใหญ่เป็นใหญ่เหนือความชั่วดายเมื่อเป็นดังนี้แล้วกำลังของกิเลสต่างๆอันเป็นฝ่ายมารผูคาภูมุงร้ายก็ลดน้อยลงไปเมื่อฝ่ายกิเลสฝ่ายมารถอยกำลังลงกำลังฝ่ายดีคือพระอินทรีย์นี้ก็ทวียิ่งขึ้นนี่แหละการปฏิบัติก็จะสนุก ข, ขึ้น จะดีขึ้นและบุคคลก็จะน้อมไปในฝ่ายดีคือในฝ่ายศีลในฝ่ายสมาธิในฝ่ายปัญญายิ่งขึ้นคือจิตก็จะน้อมไปในฝ่ายดีดังกล่าวนี้ดียิ่งขึ้นไปโดยลำดับเพราะฉะนั้นจึงปรากฏในพุทธประวัติมากแห่งว่า พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมะสั่งสอนย่อมทรงกำหนดทราบถึงพละอินรีดังกล่าวของเวเนยะคือภูที่พึงอบรมเมื่อมีอินรียังอ่อนก็ทรงอบรมไปในเบื้องต้นให้ปฏิบัติเพิ่มอินรีให้แก่กล้าขึ้น และเมื่อมีอินทรีย์แก่กล้าขึ้นในระดับใดก็ทรงแสดงธรรมะสั่งสอนให้เหมาะแก่ระดับนั้นและให้ยิ่งขึ้นไปจนถึงเมื่อมีอินทรีย์แก่กล้าถึงที่สุดจึ ง, ง, งแสดงธรรมะสั่งสอนให้ความสว่างเกิดปัญญาเห็นธรรมะขึ้นในที่สุดเพราะฉะนั้น อินทรีย์พะละนี่จึงเป็นสิ่งสำคัญซึ่งผู้ปฏิบัติธรรมก็ไม่ควรที่จะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจตัวเองว่ายังมีอินทรีย์มีพะละน้อยปฏิบัติไม่ได้เพราะว่าวิธีที่จะเพิ่มอินทรีย์พะละให้แก่กล้าขึ้นนั้นก็ต้องฝืนปฏิบัติอาศัยขันติคือความอดทนนี่แหละ ทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยลำดับแล้วจะเป็นพละอินทรีย์มาปลูกขึ้นเติบโตเจริญขึ้นในจิตใจเองแก่กล้าขึ้นเองแล้วการปฏิบัติก็จะดียิ่งขึ้นสะดวกยิ่งขึ้นและจะเข้าทางยิ่งขึ้นแต่ข้อสำคัญนั้นไม่มุ่งออกไปในภายนอกแต่มุ่งเข้ามาที่ภายในคือที่จิต พร้อมทั้งกายวาจาใจนี้เองปฏิบัติที่จิตที่กายที่วาจาที่ใจนี่แหละการปฏิบัติทำสติกำหนดลมให้ใจเข้าออกอันเป็นอาณาปานสตินั่นก็กำหนดที่ลมให้ใจดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเอาไว้และพระอาจารย์ก็ได้สอนอธิบายไปในทางต่างๆ กระสุดแตใครจะเลือกปฏิบัติตัางวิธีไหนซึ่งจะได้อธิบายในโอกาสต่อไปต่อไปนี้ก็ขอให้ใจตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจตั้งความสงบสืบ ต, ต่อไปบัดนี้บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องตน้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาครอรหันตสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรม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 ของทุกๆคนนี่เป็นแหล่งบังเกิดขึ้นแห่งสมาธิและปัญญาซึ่ง พระพุทธเจ้าเองตามที่ปรากฏในพระสูตรก็ได้ทรงจับปฏิบัติกำหนดตั้งแต่เป็นพระราชกุมารดังได้กล่าวแล้ว และเมื่อจะส่งพบทางอันเป็นมัชชิมาปฏิปทาก็ได้ทรงหวนระลึกถึงสมาธิที่ทรงได้จากการกำหนดลมหายใจเข้าออก ที่เคยทรงได้สมาธิด้วยทรงกําหนดในขณะเป็นพระราชกุมารนั้นจึงมาทรงจับกําหนดลมหายใจเข้าออกและก็เป็นอันว่า ได้ทรงพบทางที่เป็นมัตติมาปฏิปทาข้อปฏิบัติอันเป็นทนทางกลางเป็นการเริ่มแรกจึงได้กล่าวว่าเหมือนกับทรงได้พระองค์เองมาเป็นพระราชกุมารน้อยนั่นมาเป็นพระอาจารย์ บอกทางปฏิบัติแก่พระองค์ในขณะที่เสด็จออกทรงผนวชแล้วนั้นเพราะฉะนั้นในสติปัฏฐานสูตรจึงได้ตรัสแสดงอาณาปานสติสติกำหนดลมให้ใจเข้าออก ไว้เป็นข้อแรกและก็ได้กล่าวแล้วว่าผููปฏิบัติควรจะได้ถือเอาหลักที่ทรงสั่งสอนไว้ด้วยพระองค์เองในการ อำอาาปานสติเป็นหลักสำคัญพิจารณาให้เข้าใจในแนวปฏิบัติที่ได้ตรัสสอนไว้ส่วนแนวปฏิบัติของพระอาจารย์ทั้งหลายเลือกปฏิบัติ มาประกอบเข้าตามที่เหมาะสมแก่อัธยาศัยของตนและแนวที่ได้ตรัสอธิบายไว้เองนั้นก็ได้กล่าวแล้วแต่ก็ ให้ทาความเข้าใจว่าให้ปฏิบัติตามที่ทรงแนะนำไว้ตั้งแต่ในขั้นต้นที่เสด็จ ท, ท, ที่ที่ตรัสสอนให้ไปสู่ที่อันสงบสงัด เป็นป่าคนไม้หรือเรือนว่างซึ่งรวมความเข้ามาก็คือที่อันสงบสงัดและได้กล่าวแล้วว่าแม้ในที่นี้ซึ่งมีภูมาประชุมกัน เป็นจำนวนมากแต่ว่าก็มุ่งมาปฏิบัติจึงตั้งอยู่ในความสงบก็ชื่อว่าเป็นเรือนว่างได้เพราะว่าว่างจากความเอะอะความไม่สงบทั้งหลาย แม้จะรวมกันอยู่มากก็อยู่ด้วยความสงบไม่มีเครื่องที่จะความไม่สงบแต่อย่างไรเหมือนอย่างเป็นเรือนว่างเหมือนกันก็ใช้ได้และก็ใครที่จะชี้แจง ต่อไปอีกว่าแม้ว่าจะหาที่อันสงบสงัดจริงๆไม่ได้เช่น